เรื่องคุณหลวงพบหลวงตาโดยคุณหลวงบุญวัสนาชักพามาวัดป่าบ้านตาดผมได้มีโอกาสเข้าวัดป่าบ้านตาดเมื่อ20สบกว่าปีมาแล้ว โดยได้บวชและจําวัดอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาสั้นๆโดยความบังเอิญเนื่องจากเดิมมีความตั้งใจที่จะบวชและอยู่อย่างสงบที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีซึ่งน้องได้จัดการเลือกวัดและสร้างกุฏิไว้แล้วหลังหนึ่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมวัดอยู่บนเขาน้องที่เป็นผู้จัดการได้เลือกพิจารณาแล้วเห็นว่าที่นั่นน่าจะเหมาะสมเมื่อใกล้เวลาที่จะบวชได้เกิดเพลิงไหม้กุฏิหมดทั้งหลัง ลาพระที่วัดมีการแบ่งพักแบ่งพวกจึงได้เลิกความคิดที่จะบวชที่วัดนั้นช่วงนั้นมีความกระวนกระวายมากเพราะมีความตั้งใจที่จะบวชแต่ยังหาวัดที่ถูกใจไม่ได้ขนาดนั้นยังไม่เคยได้ยินเรื่องวัดป่าบ้านตาดยังไม่เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับหลวงตามหาบัวเลยแต่ภรรยาของผมได้ร่วมทำบุญกับท่านมาโดยตลอดจากการแนะนาของพี่นิดพี่สาวของเพื่อนภรรยาผม ซึ่งได้ให้หนังสือของหลวงตามาอ่านพนรยาของผมมีความศรัทธาในตัวท่านมากอ่านหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นวันเดียวจบวันหนึ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของบริษัทปูนซีเมนไทยผมเอ่ยถึงวัดป่าบ้านตาดของหลวงตามหาบัวพร้อมกับปรารพว่าต้องการที่จะบวชเพื่อปฏิบัติสมาธิภาวนาผู้ใหญ่ท่านนั้น จึงรับอาสาที่จะติดต่อกับคุณธนันชัยเจ้าของบริษัทสีไทยใหม่ซึ่งเป็นเอเย่นที่จังหวัดอุดรธานีและเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวให้คุณธนันชัยได้กราบเรียนหลวงตาแล้วจึงได้แจ้งให้ผมขึ้นไปที่วัดโดยได้นัดหมายกันเพื่อเข้ากราบหลวงตามหาบัวไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงสัมผัสแรกก็แปลกใจรถมาถึงหน้าวัดประมาณ1ิบโมงเช้าปรากฏว่าประตูเหล็กของวัดปิดสนิทมองไม่เห็นใครเลยสักคนขณะรถจอดอยู่หน้าประตูเหล็กใจคิดไปว่าที่นี่ดูเหมือนคุกคุมขังกำแพงเก่าๆรายรอบสองข้างประตูเหล็กเหมือนคุกจริงๆเลยแต่เมื่อรถวิ่งเข้ามาพ้นประตูวัดแล้ว ทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีในวัดมีต้นไม้หนาครึ้มได้ยินนกไก่กระรอกจากต้นไม้รอบตัวส่งเสียงตลอดทางจนถึงศาลาใหญ่ผสมผสานต่อกันเป็นทอดทอดความรู้สึกเมื่อแรกเห็นที่หน้าประตูวัดหมดไปทันทีรู้สึกร่มเย็นสุขสบายเป็นคุกธรรมะแม้เข้ามาในบริเวณวัดแล้วก็ยังไม่เห็นใครเลยก่อนมาคิดว่า ที่เนี่ยต้องเป็นวัดที่มีผู้คนคลุกคล้านมีซุ้มขายพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนมีตู้หยอดเงินทำบุญต่างๆเช่นค่ากระเบื้องค่าดอกไม้ธูปเทียนมีคนขายลอตเตอรี่ตลอดจนซุ้มให้เช่าพระบูชาดังเช่นวัดทั่วไปในกรุงเทพแต่สิ่งที่เห็นขณะนั้นตรงข้ามกับที่เคยคิดคาดการไว้ก่อนอีกทั้งภาพที่วาดไว้ในใจว่าวัดคงต้องมีฝุ่นจับหนาตามพื้นตามซอกซอยในที่ลับตา ตามพงหญ้าจะมีขยะมีเศษอาหารทิ้งไว้เกลื่อนแต่ภาพเหล่านี้ไม่ได้มีให้เห็นเลยทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยงามตาที่เชิงบันไดาทางขึ้นศาลามีตุ่มใส่น้ำล้างเท้ามีผ้าเช็ดเท้าวางเป็นระเบียบเรียบตึงและสะอาดกระทั่งห้องน้ำรอบศาลาที่สร้างอย่างง่ายๆก็สะอาดหมดจดไม่มีกลิ่นรบกวนในวัดไม่มีสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตโอโทงแบบวัดทั่วไป ผมเกิดความประทับใจชุ่มชื่นหัวใจอย่างที่สุดวัดดูกลมกลืนกับธรรมชาติไม่หรูหราจนหน้าอึดอัดตึงเครียดมีระเบียบเรียบร้อยทางเดินรอบศาลารอยกรวดแม่น้ำอัดแน่นเรียบแห้งสนิทไม่มีน้ำขังมีทางเดินแยกจากทางเดินใหญ่รอบศาลาเป็นสายสายมุ่งลึกเข้าไปในป่าสู่กุฏิต่างๆถ้ามองจากภายนอกจะไม่รู้เลยว่ามีกุฏิอยู่ที่ไหนบ้าง เห็นเฉพาะเป็นทางเดินคดเคี้ยวรับพุ่มไม้หายไปในป่าทั้งประทับใจและยำเกรงคุณธนันชัยได้มานั่งรออยู่ที่ศาลาตามเวลานัดหมายนำเข้าพบกับหลวงตามหาบัวที่กุติของท่านมีท่านนพดล น, นำเข้าไปด้วยกัน ทางเข้ากุฏิของหลวงตามหาบัวเป็นทางเดินเล็กๆแยกออกจากลานรอบศาลาหลังใหญ่ไม่ห่างกันนักเดินไปนิดเดียวก็ถึงศาลาไม้หลังเล็กๆสองหลังกุฏิของหลวงตามหาบัวเป็นกุฏิยกพื้นสูงใต้ถุนโล่งเรียบสะอาดตาไม่มีสิ่งรกรุงรังใดๆหน้าบันไดาทางขึ้นมีโอ่งน้ําสีแดงมีฝาปิดตั้งอยู่พร้อมทั้งผ้าเช็ดเท้าขาวสะอาดปูเรียบอยู่บนบันไดขั้นแรก รองเท้าหนังเก่าๆวางเป็นระเบียบเสมอกันบนแท่นปูนทางขึ้นตัวกุฏิเป็นไม้ธรรมดาทั้งหลังยกพื้นเป็นสองระดับลงน้ำมันประตูห้องนอนปิดสนิทหลวงตามหาบัวนั่งคอยพวกเราอย่างสงบนิ่งท่านรูปร่างผอมบางผมผ้าเปิดไหลมีความสงา่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสกราบท่าน คุณธนันชัยได้กล่าวแนะนําและขอให้ท่านนพพดลเป็นผู้ดูแลผมในระหว่างบวชท่านอนุญาตพร้อมทั้งอธิบายเรื่องการบวชและมอบหมายให้ท่านนพพดลเป็นพระที่เลี้ยงผมสังเกตการสนทนาระหว่างคุณธนันชัยและท่านนพพดลกับหลวงตามหาบัวเห็นทุกท่านแสดงความเคารพนับถือหลวงตามหาบัวมีความนอบน้อมและยาเกรงอย่างยิ่งขณะนั้นหลวงตามหาบัวอายุเจปีแล้ว ยังแข็งแรงเสียงดังฟังชัดเฉียบคมดวงตาดุเข้มมองทะลุโ ป, ปรงเข้าไปในใจของแต่ละคนผมได้แต่มองมีความยำเกรงท่านไม่แพ้คุณธนันชัยและท่านนพดลเมื่อกราบเรียนเสร็จแล้วก็ลาท่านลงจากกุฏิทันทีไม่มีการอ้อยอิงกราบเรียนแล้วเป็นอันจบ ก, กันเข้าทํานองหมดธุระแล้วกลับได้ ขณะลากลับออกมาท่านยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเคี้ยวหมากที่มีผู้จัดเตรียมถวายท่านไว้แล้วรอบตัวท่านไม่มีอะไรวางเกะกะนอกจากสมุดหนังสือเพียงสองถึงสามเล่มกาน้ำและกระถนสองใบเท่านั้นไม่มีโต๊ะหมู่บูชาบาตรน้ำมนต์หรือสิ่งอื่นใดทุกอย่างเรียบง่ายสะอาดตาท่านมีความเป็นอยู่ง่ายๆธรรมดาเป็นที่สุดเป็นเรื่องแปลกจากที่เคยพบ ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสกราบท่านยังไม่ได้ทราบกิติศัพท์ของท่านว่าดุและเข้มงวดมากเรื่องราวของท่านยังอยู่ในวงจำกัดไม่แพร่หลายและเป็นเพราะผมเองก็ไม่ได้สนใจมั่วอยู่กับงานและสนุกอยู่กับสังคมแวดล้อมทั้งหลายยังสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมของธุรกิจที่ต้องตอบแทนเลี้ยงดูทุกรูปแบบของสังคมแสงสีเสียงหูตาปิด ไม่ได้เห็นแสงสว่างของธรรมะหรือรู้จักหลวงตามหาบัวเมื่อมีโอกาสพบท่านในวันนั้นจึงทำให้เกิดศรัทธาและความสุขที่สงบ วิถีชีวิตพระวัดป่าบ้านตาดได้มีโอกาสพบกับพระหม่อมอุ๋ยที่กำลังจะสึกซึ่งผมจะเข้าอยู่ที่กุฏิต่อจากท่านเป็นกุฏิเรือนม้ายกพื้นสูงเป็นที่เก็บไม้กวาดตาดที่ทำจากขแหนงไม้ไผ่วัดท่านอุ๋ยเล่าให้ฟังถึงความยากลำบากในการเดินบินทบาตบนถนนลูกรังในระยะแรกซึ่งไม่คุ้นเคยกับการเดินเท้าเปล่า ในวันแรกๆฝ่าเท้าทั้งสองระบบไปหมดถนนมีก้อนกรวดแหลมคมทิ่มต่ำฝ่าเท้าตลอดเวลาต้องเอาพลาสเตอร์ยาชนิดแผ่นใหญ่ปิดฝ่าเท้าทั้งสองข้างปิดลอกแผ่นพลาสเตอร์ยาทุกวันจนเบื่อไปเองกว่าจะเดินด้วยเท้าเปล่าๆได้คล่องแคล่วก็ถึงเวลาที่ต้องลาศิกขาออกจากวัดเสียแล้วหลังจากได้รับคาแนะนาจากท่านนพดลในเรื่องการเตรียมตัวบวชแล้วจึงได้ลากลับกรุงเทพ เพื่อจัดการงานในระหว่างที่จะไปบวชที่วัดผมขึ้นมาที่วัดอีกครั้งในวันที่16พฤศจิกายนมาตัวเปล่าไม่ได้เอาอะไรมามีเฉพาะเสื้อผ้าที่ใส่อยู่เท่านั้นหลวงตาจัดให้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งที่นอนท่านนบพดลก็เป็นธุระจัดให้เรียบร้อยสวยงามมากไม่เคยคิดมาก่อนถึงความประณีตเรียบง่ายสะอาดพักเตรียมตัวอยู่ที่วัดหนึ่งวัน รุง่งค้นได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดโพธิสมพรในจังหวัดอุดรธานีหลังจากพิธีอุปสมบทเสร็จแล้วท่านนบพดลพากลับวัดและพาไปขอนิสัยกับหลวงตามหาบัวการขอนิสัยคือการเข้ามามอบตัวเป็นสิทธิ์อยู่ภายใต้การดูแลของท่านจากนั้นจึงกลับกุติทำการพินทุเครื่องใช้ต่างๆ โดยการทำตำหนิเครื่องหมายไว้ตามสิ่งของที่เป็นสมบัติส่วนตัวตลอดการบวชแม้กระทั่งผ้าจีวรสังคติซึ่งเป็นการดีที่ได้ทำการอธิษฐานจิตทำเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นของของเราเครื่องใช้ของพระไม่มีมากมายเหมือนคารวาสมีอยู่ไม่กี่อย่างมีผ้านุ่งผ้าห่มสังคติบาทและบริขารของใช้จาเป็นเท่านั้นที่วัดไม่มีการลงโบสถ์ ท, ทวัด พระแต่ละรูปถือศีลภาวนาอยู่ในกุฏิของตนไม่ยุ่งเกี่ยวกันพระจะพูดคุยกันแต่เฉพาะเวลาฉันน้ำร้อนหรือขณะโยกน้ำล้อเข็นไปตามกุฏิต่างๆซึ่งต้องใช้พละกาลังมากจึงเป็นที่รวมพระอายุน้อยทั้งหลายองค์ไหนทำอะไรไม่ต้องบอกกล่าวต่างช่วยกันทำไม่เกี่ยงงอนพระที่นธรรมตั ด, ตดหรือไม่กวาดก็จะทากันหลังจากฉันเช้าแล้ว บางรูปเจริญภาวนาช่วงเช้าเป็นช่วงที่สงบหลังจากฉันเสร็จแล้วก็จะล้างบาทตากบาทเพื่อไม่ให้มีความชื้นเหลืออยู่บาทต้องเงางามสะอาดไม่มีกลิ่นพระวัดนี้ต้องรักษาข้อวัดปฏิบัติตามพระวินยัยเห็นแล้วว่ามีความงดงามเรียบง่ายไม่เหมือนกับวัดอื่นๆที่พระเตตะกอสุบุรีมั่วสุมกันอยู่ในกุฏิหลังจากฉันแล้วไม่มีความสํารวม นี่เป็นผลจากความเข้มงวดของหลวงตาที่ใครๆมักจะบอกว่าท่านดุแต่ท่านไม่ได้ดุโดยไม่มีเหตุผลต้นแบบวัดกรรมฐาน วัดป่าบ้านตาดนี้มีอะไรหลายอย่างที่ถือเป็นต้นแบบของวัดสายกรรมฐานในปัจจุบันการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีการเดินท่อน้ำไปยังส่วนต่างๆของวัดทำให้บรรยากาศในวัดสงบผมเองยังชื่นชมทุกครั้งที่มีโอกาสเข้าวัดตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเช่นการส่งน้ำไปยังส่วนต่างๆของวัดเพื่อความสะดวกและสะอาดมากขึ้น แม้มีเครื่องปั่นไฟเข้ามาใช้โดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก็เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกในงานบางอย่างและเป็นการรักษาธาตุขันของพ่อแม่ครูอาจารย์เท่านั้นวัดจึงคงสภาพเป็นวัดป่าอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่วัดนี้ไม่มีอุโบสถมีแต่ศาลาไม้สร้างมาตั้งแต่ตั้งวัดมีพระประธานประดิษฐานเป็นสง่าอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาที่ไม่เหมือนวัดอื่น คือไม่มีพระพุทธรูปปางต่างๆวางเกลื่อนเหมือนสาราวัดทั่วไปเรียบง่ายสะอาดไม่มีการจุดธูปพื้นสาลาเป็นพื้นไม้มีใต้ถุนไว้เก็บของสารานี้ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาต่อมาได้มีการยกสาลาสูงขึ้นชั้นล่างทำเป็นพื้นซีเมนต์ปู ด, ด้วยสีชนิดพิเศษทำความสะอาดง่ายและตั้งแทนของพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ตรงใต้ฐานพระประธานข้างบน ผู้ที่ทำการยกศาลาทั้งหลังคือคุณอาพิชาติฟุงลัดดาโดยอยู่ในความพิจารณาของท่านปัญญาวัดโธอดีตวิศวกรชาวอังกฤษซึ่งบวชอยู่ที่วัดนี้มานานปีท่านมีประวัติที่โชคโชนน่าศึกษาเราจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปกุฏิของพระเป็นแค่ไม้ยกพื้นสูงเพื่อการมดมแมลงหลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสีมีฝาตรงหัวนอน ที่เหลือเอาจีวรเก่ามาขึงแทนฝาผนังรูดปิดเปิดตามต้องการบันไดขึ้นแคร่ไม่ติดกับตัวแคร่เพื่อกันหนูและมดหัวนอนมีแท่นวางเทียนไขสำหรับจุดในเวลากลางคืนเพื่อให้แสงสว่างสำหรับอ่านหนังสือและทำวัดสวดมนต์ซึ่งทุกหัวนอนจะหันไปทางกุฏิพ่อแม่ครูอาจารย์จะไม่มีการหันเท้าไปทางนั้นทุกกุฏิมีทางเดินจงกรมอยู่ ใ, ใกล้ มีห้องน้ำอยู่ห่างออกไปตรงปากทางเข้ากุฏิกุฏิรุ่นใหม่ที่สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมดก็มีลักษณะที่คล้ายนี้ทั้งสิ้นในกุฏิพระไม่มีการเก็บอาหารและเครื่องดื่มไว้เลยกุฏิจะโล่งมีแต่หนังสือและอัฐบริการเท่าที่จำเป็นไม่มีการสะสมขนาดของกุฏิก็แค่พอให้อยู่ได้องค์เดียวพระวัดนี้ไม่มีการจับกลุ่มกันเหมือนวัดอื่น โรงน้ำร้อนเป็นที่ชุมนุมของพระเนนเวลาฉันน้ำปานะชากาแฟและเป็นโอกาสเดียวในการพบปะกพูดคุยกันการปกครองในวัดป่าบ้านตาด หลวงตาเป็นผู้บริหารจัดการวัดทั้งวัดด้วยองค์ท่านเองไม่มีกรรมการวัดลูกศิษย์หรือพระที่เป็นผู้ดำเนินการต่างๆทั้งหมดอยู่ที่องค์ท่านเองท่านมีความจำดีมีความเข้าใจดีทุกเรื่องมีความเมตตากับทุกคนท่านไม่มีเงินเก็บมีเงินเท่าไหร่ก็จ่ายออกไปเท่านั้นความเมตตากรุณาของท่านไม่มีประมาณการจัดการทุกเรื่องท่านได้พิจารณาอย่างท่องแท้ด้ยญาณวิถีของท่าน ตัดสินใจด้วยองค์ท่านเองท่านมียาในวิถีที่จะเลือกใช้คนตามวาระและโอกาสท่านมีการจัดการเรื่องการเงินได้อย่างแม่นยำไม่ต้องมีฝ่ายจัดการให้ยุ่งยากมีพี่หม่อมเป็นผู้ดูแลการเงินนำฝากเบิกจ่ายตามคำสั่งของลุงตาพระที่จำวัดที่วัดป่าบ้านตาดมีอยู่3ามลนะักษณะคือ 1. พระที่ปฏิบัติงานถวายท่านเช่นงานธุรการ งานเผยแผ่ธรรมะของท่าน 2. พระฝรั่งที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 3. พระที่แวะเวียนมาพักอยู่ชั่วคราวกุฏิที่พักในวัดมีจำนวนจำกัดสามารถรับพระเนนได้ 40-50 ถึงรูปจึงต้องหมุนเวียนกันออกไปความเข้มงวดของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่พระทั้งวัดปกติท่านจะอบรมพระอยู่ทุกสัปดาห์ในเวลากลางคืน โดยจะมีการเคาะระฆังเป็นการบอกกล่าวว่าจะมีการประชุมที่ศาลาใหญ่ในเวลากลางคืนท่านจะเตือนให้เร่งความเพียรมุ่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานลดละกิเลสโดยเฉพาะพระหนุ่มๆที่มีปัญหาในใจท่านเตือนว่าอย่าให้เสือคาบเอาไปกินแรกๆผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรอยู่มาจึงรู้ว่าเสือคือสาวๆนั่นเองท่านเตือนอยู่เสมอ พระที่รู้ตัวก็เร่งความเพียรสุดชีวิตส่วนพระที่เร่งความเพียรไม่ขึ้นเพราะใจไปหาเสือแล้วไม่นานก็เห็นผลทั้งพระฝรั่งและพระไทยลาสิกขาไปอยู่กับเสือน่าสิดดยเวลาความเข้มงวดของท่านทำให้พระมุง่งทำความเพียรในยามค่ำคืนอย่างหนักในเวลากลางคืนดึกๆที่ท่านเดินตรวจทั้งวัด หากได้ยินเสียงกรนจากกุติใดในยามที่พระอื่นๆเดินจงกรมทำความเพียรหลังจากชันเช้าแล้วพระรูปนั้นก็ต้องเก็บอัถฐบริการออกจากวัดไปหาที่จำวัดที่อื่นดังนั้นพระทุกรูปพยายามเร่งความเพียรบางรูปอดอาหารเป็นเวลาหลา ย, ลายวันเพื่อพิจารณาทุกขที่โรงน้าร้อนมีตารางพระอดอาหารแสดงไว้ให้พระทุกรูปทราบการอดอาหารคือการไม่ออกมาบินธบาต ซึ่งก็จะไม่มีอาหารฉันคงฉันแต่น้ำเพื่อทดสอบจิตใจและฝึกความอดทน